ท่านที่ท่านจะลอยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราบริสุทธิ์แล้วอยากจะทําอะไรจะทําไปไม่เป็นอย่างนั้นดูพระพุใจเจ้าและพาะริยาเจ้าถั่วไปในอนุสุทธะมือเองไหนที่ทํานทำชั่วทําเสียเมื่อท่านสำเร็จเป็นอรหันต์อรหันต์ท่านทุดจิตใจของท่านในขั้วในทางชั่วทางดีแต่ท่านจะไม่เคยทํา นอกขอบเขตของธันนี้ไหนไปไปมุ่งมัน่นรักษาปัตติ ป, ปทาหรือวิหารธรรมของท่านอยู่ตลอดวันปริมิพันธาแต่เคยเห็นได้ก่อสร้างอันนั้นได้ก่อสร้างอันนี้ไปปลุกเสกนั้นไดปลุกเสกนี้ปลุกเสกใจของท่านเท่านั้นใจของท่านประเสริกดีเิดแล้วจะได้ปลุกเสก อะไรอีกเพราะสิ่งอื่นมันมัรรมนมีความหมายนอกจากใจเท่านั้นที่มันมีความหมายอยู่ควาปลูกเสพของถึงขี่กับปลูกเสพขอถึงขี้วะจะเป็นปลูกเสพเรื่งเหรียญเรื่องพระอันอื่นไม่เคยมีในตำลักตำราธรรมมาของพระพุทธเจ้าทํหนาสอนใหเหลวงไหลนในเสดเชิญ ไปเลยเรื่องนอกพยายามทุนที่จรณาพยายามศึกษาพยายามเอื้อมกายบาดใจใจคงตนใจจิตคงตนเข้าถึงธรรมสิ่งที่นั้นผิดมันจะเบ่งบอกถึงมีคนมาพูดมาเตือนว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่สมควรแต่ธรรมะจะเตือนตัวเองสิ่งใดมันผิดมันจะตั้งแต่จิตแต่ขวางในจิตของตัวเองนอกจากนั้น อาจจะมีธรรมะด่งบอกขึ้นโดยหนยเมื่คิดว่าอันนี้มันผิดในควาทำทั้งทั้งคือเราหน่วกำหนดเอาไว้ว่มันบอกขึ้นมาภายในว่าไม่ควรหรือผิดธรรมะรักษาผูกพุษทำอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องอัศจรรยวิวิธิธรรมเห็นธรรมถ้าถึงธรรมจริงจังไม่มีอะไร จะมาทำให้ตัวห้องถ่านหลงไหลเพลิดเพลินมัวมาใส่จิตไปในเรื่อง น, อ, นอกนี่คือสู่งที่ทำในเรืจิตข่องในสมมติในจิตข่องในอานุธมีจิตโดยสุดสม่ำเสมอทุกระยะทุกเวลาแต่สิ่แล้วที่เราไม่รู้ไม่เห็นกับท่านเราก็ หากเอาเดาเอาหรือเข้าเราถึงผิดทั้งเพจิตบริสุทธิ์เป็นอย่างไรพอเรายังไม่เห็นเขาใจเรามันจะเป็นอย่างนั้นเขาใจเรามันจะเป็นอย่างนี้พอยังไม่เห็นในตัวถ้าเห็นในตัวคนจิตรู้สิตเห็นเดียกันไม่ต้องพูดหลายถ้อยร้ายคำพอพูดออกถึงคำบริสุทธิ์เท่านั้น ก็เข ch ch ch ้าใจกันอย่างจริงจังไม่มีอะไรที่จะสงสัยแตนั้นการประฤติปฏิบัติเรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญอย่าไปคิดอย่าเรื่องอื่นจะเป็นเรื่องตำละกายใจได้ทํากระตุวิหารทำบุตดทำชลาใหญ่โต้ใจใหญ่ใหญ่เจ้าเต้อใจเจ้าสว่างสวายใจเจะเบิกบานหายความขัดข้องยุ่นเยิงต่างๆอย่าไปคิด ถ้าไปคิดแบบนั้นไม่มีวันเราตั้งหน้าตัางต้าตางากำหนดที่จะนาเงินจีบแวบออกไปภายนอกมันก็ยังยากยังลำบากอยู่ยิ่งจะไปแบบไปหามพาล่าหน้าขี้ภายนอกมันก็ยิ่งซึมออกไปเติมออกไปภายนอกได้อันนี้อย่าได้อันนั้นไม่จะอยากเลื่อยไปความอยากเป็นทางเกิดทุกข์ถ้าหาก พิจาณาภายในระวังรักษาใจเตืนใจมีความสงบระงับดับยืดหยุ่นได้เสียงก็ดีรูปก็ดีเรื่องต่างๆก็ดีมันเป็นภาระมันไม่อยากจะทำจะเจี่ยวข้อเพื่อจะคิดในจิตในใจเรื่องของสังขานก็ยังเป็นเรื่องหนักเรื่องลำบากบันไปคิด ในข้อที่ควนคิดตามในที่จะคิดวันนั้นเหนื่อเหนื่อยคิดธรรมดาถ้าหากลอยเอาไว้มาเดี๋ยคิดเกี่ยวกับอะไรอยู่ตามเรื่องของตัวมันสะดวกมันสบายมันมีกําลังเพราะทุกระยะเวลามันสงบสังฐานถือมันเติมขึ้นมันตกไปตกไป ถ้าตล่อยอย่างนั้นการงานหน้าที่ของเราเคยคิดเคยปึงถ้าให้ปล่อยให้มันตกไปมันก็จะสําเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ให้เวลาเราไม่ปล่อยมันพยายามคิดในสิ่งอย่นั้นมันจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวจะกินละเอียดรู้จักเรื่องต่างๆนานาที่อยู่ ในตัวของตัวเองยิ่งไปทำเรื่องภายนอกก็ยิ่งไปกันใหญ่คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แทนที่จะสงบมันยังมีทางสงบพระพุทธเจ้าตั้หมกอใส่แผ่นเครเสวนการงานด้านนอกชมเชยความสงบทำดีด้วยธรรมาของูมิพระพุทธเจ้า แล้วเส้นด่างนั้นเราทุกท่านเป็นด่างไรเดี๋ยวพิเยนาไหมเรื่องกายใจของเราหรืออยู่แต่ยังตายภายในวัดใจมันยุ่งวุ่นออกไปอยู่นอกวัดขโมยของเหนี่ยวหล้องนุนเกี่ยวกงยุนตาอะไรก็อีกให้ระวังรักษาพิเยนาตัวเอง กรรมฐ า, านเขาถือว่าเป็นนัปกปฏิบัติผู้คนทั่วไปเรื่องไส่ัทธาแบาเป็นพระคือผู้ประเสด็จเมื่อจิตใจยัตงติดข้องเส่้าหมองเพลิดเพินในอารมณ์สัญญาต่างๆนานาอย่างนั้นพระมันอยู่ที่ไหนหมามันก็คิดได้คิดได้นะทำลางนั้นกลานนยนไ ยิ่งกม่าหมาหลยหรือเขาาเข่าว อ, อาตาเอาดอกไม้ถูกเชือนมาสาักปล า, าบูชาเรามีดีที่ไหนสอนใจพวกเราให้ตื่นอย่า ใ, ให้ลุ่มไผ่หลงเขามาสาบมาไหวนะ้มาสักปล า, าบูช า, าแต่เราเป็นผู้ดีผู้ดียิ่งเสด็อยินเลยยังเพื่อนทับหิตใจไม่มีอะไรที่จะเป็นของรี้เตือนให้ เาเป็นเศษในส่วนแบบหลอกเข้ากินในละอายโลกเขาหรูอต้อคิดสอนตัวเองแนะตัวเองอยู่สมันเสมออะไรทึ่จะเป็นพระเป็นเมรุได้เราต้องพยายามรักษากายรักษาวาจารักษาใจา ท, าทุ่งตนค่ะคือเป็นเศษประเสริฐอย่างไรโลกเขาลื่มเขาหลงเขาเติบเขาเติมใน เ, เรื่องรูปเสียงก ล, ลิ่นรสใจของเรา ในเรื่อเหลงไปอย่างนั้นสิ่งของเราความปกติของเราปกติอยู่ทุกการทุกเวลาในจะไปทําเสื่อช้าลามกในเด็พูดในสิ่งที่เสียหายในเด็กคิดในสิ่งที่เป็นอคติผลรักษาทุกประตูในทางชั่วภายในไหลเข้ามาความเชื่อภายในกําจัดปัดเต่าออกไป สุปฏิปันโนอุสุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนปฏิบัตินีมันมีอะไรสุจะตติมิตัวคงตัวคือทั่วไปพิจารณาแล้วก็มีเนี่ยใบมุ่นใดที่จะสงสัยสุจะตติมิได้เพราะตัวคงตัวระวังรักษากายวายใจใจอยู่ตลอดเวลาดีไหนีเทือก ก่อนสองพระพุทธเจ้าในตรงต่อทีอตันหาตรงต่อทางจับปัสรุยาญยา ต, ติติปโนจนถึงสานุจิพระพุทธเจ้าและอริยะเจ้าทาหลุขึ้นอย่างไรไม่มีทางสงสัยจิตใจของเรา เป็นอย่างไรจิตใจของวิริยะเจ้าหรือพาวิริยะเจ้าทีดเชื้อวิริก่อนเหมือนกันไม่มีทางสางืสัยไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะความบริสุทธิ์อันนี้มันมีอยู่แต่ไหนแต่อะไรแต่เรายัางไม่เห็นไม่เจนพอเห็นพอเป็นแล้วมันก็จะมีทางสางสัแยแบบวิาาริยะเจ้าทำวิริยะด่างไรใจเชื่อธรรมแบบเป็นนิมุตเป็นนิมุอย่างไร ใจของเราได้รู้ได้เห็นได้เจนอย่างนะั้นมันจึงหนมีการสงสัยว่ามันจะเสื่อ น, จะจะนไปอีกไหมมันจะเลนได้อีกไหมจะมีอะไรที่ต้องการจะไล้จะมัะะม่นเพิอ่อีกมันหมดจุลยาทุกอย่า ง, งยิตเป็นอัปลุยเป็นหนูมีจุลยา ในมีปัญหาไมมีความข้องจิตไม่มีการเข้าการออกไม่ใส่กินละเอียดไม่ใส่กินรวมรวมเหตุการณ์นี้เราเคยปฏิบัติามาระยะยาวนานรวมเสกละเอียดขนาดไหนแยกาคลายขนาดไหนการหานในการต่อสู้ที่เหลือดขนาดไหนก็ทราบ มาทึรกระยะแต่เหนือมาเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไหมมันจะมีทางสงสัยเพราะสมุดถ่วไปไม่เข้าถึงไม่มีอะไรที่จะไปสงสัยในความบริสุทธิ์ทั้งตนเพราะความต้นจากการละการมเท็นเป็นสานีจิตเป็นที่ หากมันไปถึงขั้นไหนตอนไหนมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยในตัวท่านจึงกล่าวไว้ในธรรมคุณว่าเป็นสันติที่โกเห็นเองชั่วก็เห็นเองดูแต่เห็นเองอยากแต่เห็นเองละเอียดก็่เห็นเองความเป็นทุกข์ก็เห็นเองไม่ใช่คนอื่นจะมาเห็นให้เมื่อเห็นเองเข้าใจเองอย่างนั้นจะมีทางสงสัยอย่างไรเมื่อเราจับมันแข็งมันเย็นไหม ห ร, รรรรหรือมันย้อนเราก็ซาดจากใจมันร้อนเรือมันเย็นเ้าก็ซาเพราะเราไปสัมผัสเองหยุดที่ไปสัมผัสไปเกี่ยวข้อไปถูกต้องกับอัตธรรมนั่นก็ทนมียวกันซาไปทุกขั้นทุกระยะจนถึงที่สุดจะไปที่ไหนอีก ก็ทราบอีกจึงไง ม, มีทางสงสัการปฏิบัติมีสิท์ทุกคนในว่าพระวเดเนรในวาดคารวะหญิงชายเพราะธรรมะเป็นของกลางนี่ใครที่จะมีอธิสิทเป็นเสรีภาพที่จะไปะเพื่พอปฏิบัติได้เพราะกาวใจอยู่กับเรา สติปัญญาอยู่กับเรามันคิดวิจาจณ์นะมันศึกษามันกระทามบำเพ็ญสิ่งที่ไม่เจนก็จะเจนขึ้นสิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นรู้จากการกระทามทุ่มตนเพราะถ้าทำระยะมาจนโมคะมาจนมันจะทําทางตายทางวาจาทางใจก็เห็นผลอย่างน้อยก็ในตำแหน่งตนว่าอยู่ เป็นโมฆะมันที่นี้พิจารนามันศึกษามันกระทามันบำเพ็ญถ้าเราเป็นพระเป็นเมรนที่ดีที่ดีมีคุณค่าในตัวแล้วอย่าไปเลือดชิดติดข้องบาโลกอันนี้จะ ม, ม, ม, ม, มีความหมายสำหรับเรามีความหมาย พอเราเกิดในโลกอันน <be> <éta an> <rebellion> bon ี Di Di er ้ได ah, ้ทําประโยชน์ได้ทําคุณงามความดีแล้วอย่าไปคิดแบบคนอื่นเขาจะไม่เห็นในความดีเด่นของตัวเขาจะเห็นจะรู้อย่าไปคิดอะไจะเกิดความอึดอยากอยากจนจะเป็นทุกข์เพราะทํารักษาถูกประพฤติทำมันจะตกใจที่ชั่ว ทำคือคนปฏิบัติดีแล้วนความสุขมาให้ันมีทุกขขอทุกคนจงนฝึกฝนจะทำบำเพ็ญเพราะยังยสายเกินไปทำดีในที่พระพุทธเจ้าจงมันเอาไวเป็นสาสดาษแทนพระองค์ที่ใดตางนาต่างๆที่นี่ที่เจะมาทำนะโดยเฉพาะก็คือกษัตร า, ายจ่ายใจเ่งตนว่าเย็นนี้ เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้การเล็่คิดของเราผิดถูกอย่างไรใจของเราอยู่ในกรอบต้องทำหรือไม่หรืไหลไปเรื่องโลกเปลื ต, ตาที่ยามาอยู่เรื่อยไปศึกษ า, ต า, า, าตายรายใจจนไปพิบดเมื่อจบในการศึกษาตายรายใจาหรือขาดขันอายตระหนัของตัว เข้าใจทุ่อพย่างในมือทางเข้มใสก็ได้ชื่อว่าเวียนจบท่าใจคือดุจิินสมาธิปัญญาศินก็คือการรักษากายวาจาสมาธิคือความหนักแน่นขงใจปัญญาความว่ารู้ในสังขารสังขารอื่นไม่ต้องพูดสังขารภายในสังขานใจใจคือเป็นแส่ว่ารู้ ว่าผิดถูกเชื่อดีอย่างไรควรจะแชก่เขาจากฟงตัวอย่างไรยิ่งจะเป็นไปเถอความผ่อนผุกเมื่อถึงความผ่อนทุกแล้วเรื่องขันทั้งหนรูปเัฒ น, นาสัญญาสังขามันญานจะทราบดีล่สิ่งเหล่านี้เป็นขันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ขันอันนี้ขันอันนี้มีอันนี้จัง ทุกขรังอนัตตาความบริสุทธิ์ไม่มีอนิจจังทุกขรังอนัตตาแต่ว่าอัตตาก็ไม่ถูกอนัตตาก็ไม่ถูกทุกอย่างที่เป็นสมมติไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นอะไรที่ปฏิบัติจะทราบชัดภายในตัวก็คือความหลุดพ้นนี่ก็เป็นสมมติหรือเละพานี่ก็เป็นสมมติ สิ่งทีเหนือสมมตเราเราเข้าใจยึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะแก้ไขหรือดมเพลนไม่มีนี่คือการประพฤติปฏิบัติอาจทำเมื่อเข้าใจรือเห็นตามเป็นจริงแล้วจริงสุขสบายมากไม่มีอะไรที่จะเนื้อกว่าจิตที่มีอาจมีทำมนความทุกข์ เป็นสุขเน่าคเสียแต่สุขในธรรมเป็นสุดอยือกเยอนเป็นสุขคืในเนไม่เหม็นเป็นสุขคหน้าอัศจรรย์เป็นสุขทักลาตัวไปสำนึสนเระนั้นจึงควรป่ะเพื่อปฏิบัติให้เขาไจให้เห็นจริงจากตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะมีการสงสัยเือดไปแบบความสุ อทำาผือกเป็นอย่างไรถ้าในนี้ในเราเราก็ไม่เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างหากมันเป็นมันหมือมันรู้เดียกันมันพูดกันน่ายถ้าหากมันเป็นเหมืใครเหมือนใครรู้มันพูดกันนากอย่างความเคยมอย่างนี้แต่กคนนั้นไม่ใคยรีบร้อนความเค็มเป็นอย่างไรยาที่ายมันเค็มเหมือนเกลือเกลือมันเค็มอย่างไรก็เหมือนเกลือแถวนั้นเพื่อที่ายก็ได้แต่เค็มแค่นั้น ว้ามันเค็หอางนั้นแต่คนนั้นก็ไม่เคยทานเรือไม่เคยกินเรือสักทีก็ไม่ทราบว่าเค็หนคืออะไรใจของเราถพระพุทธเจ้าล่าอะไรว่าทา น, นองเยกันไม่มีอะไรที่จ้องสขยถ้าไปเห็นไปเจอแล้วพวกขืนทำสองทำสานเข้าใจกันอย่างจริงกัเพะความเป็นความเห็นของท่านกับของเราไม่แตกอะไรกัน ตาไม่เจ้นไม่เห็นก็มีทางเครื่องสัยเหลื่อยไปเพราะนั้นการปฏิบัติอาบทํามทีพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนเพือจิตอวยใจคงตนจึงเป็นเรื่องแก้ปัญหาความเ่องสัยทุกอย่างให้ตกไปเองโดยไม่ต้องไปไปถามคนนั้นว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรยืมตดเป็นอย่างไรวืมลดยามพัฒนาเป็นอย่างไร ไม่มีทางเขสายเพราะตัวท่องตัวเห็นเป็นในตัวท่องตัวถึงจัะพูดขนาดไหนนั่นก็ไม่พอไปถึงความบริสุทธิ์ได้เพราะความบริสุทธิม์มาอยู่ในเล่มปากคำพูดของคนความบริสุทธิ์มันอยู่ภายในเข้าใจแต่จากพูดบริสุทธิ์เท่านั้นจะเอาความบริสุทธิ์ออกมาพูด สมมติภายนอกมันจิ้มในถูกหวานนิ้วนก็ในถูกมนถูกความบริสุทธิ์ภาจิตยังไม่ถึงบริสุทธิ์ถึงนิ้พนห่านน้มดก็ในถูกเพราะจิตยังมาเป็นนิ้มดถูกทั้งนั้นในตอนที่เเราทันได้ไม่ถึงถ้าเส่เราทนถึงแล้วม่ก็จะมีอะไรสงสายคำเหล่านี้มันเป็นนน ยังไม่มีทางสงสัยการโลกของชาสมมติไม่ชาสมมติมัจะปฏิบัติตามสมมติศีลมันก็เดีมีศีลก็คือเร่อสมมติทวีนัยเป็นเร่งสมมติจึงควรที่นที่เจราศึกษาต่างๆต่างตาเพื่อปฏิบัติทุกวันทุกเวลาอายุของเราเก่อป เร า, ารรได้ทราบ่าันใดเราจะตายจะเจรได้ถึงจี่เสียก่อนจึงจะตายหรือจะไปถึงแค่ไหนกว่าตายแล้วก็ท่าบได้เมื่อเป็นอย่างนั้นจึงควรรีบเร่งจะทำบำเพ็ญเมื่อเราเป็นเราเห็นเราดีเราด่แลแลแลดนภายในจิดในใจของเราจะอาอยุไม้อายุอ่อนอยู่ก่อตงังจะเจรเท่าก่าอตางมันเป็นอันเดียวกันมันไม่มี การมีเวล า, เ, วล า, า, าลเรียกเาอาตาหรือโภคุณเดือวนั้นความบริสุทธิ์อันนั้นจะเย็นเดืนอนคงอยู่ไปเท่าไรนั่นจะมีมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะสงสัยจะตายไปในระยะนี้นั่นจะไม่มีอะไรที่จะเสียดายเรื่องธาตหขันสิ่งที่เราต้องตามสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่พอ ดิบพาดูในมีออะไรที่จับเพ่อนเต็มในมืแล้วอยู่ในตัวของเรามืนมีทางเฉ่งใในมืทางจะเหวี่ยใหญ่เห่งชีวิตหนึ่งคือผู้ที่ทำถึงทีสุดโดยการหลีบเรื่องผ่าเทียนหยามกระทำบัเพลนและโดยอยู่ในวันคืนหีเดือนผ่านไปต่า สัคุณงานความดีแต่กายราใจใจทุ่งเป็นจนถึงลืมุดที่สุดบ้างคนนั้นแหละมีคุณค่าพาระมถึงคนอื่นเขาจะเห็นจะทาการทางานด้านอื่นได้าีกว่าสั่งจะทำบริสุทธิ์ของเราเมื่อเคยมีการเจอกันเสียอะไรเขาจะไลยเสริมหรยอเขาตำหนิอันนั้นนั่นเป็นวันไหวใน กอนพูดถึงลปาก้ายนอกตายมั น, นอยู่หรือมันจะแตกไปอันนั้นจะบั่นไหลเอียงหรือไม่จะเป็น อ, อย่างไรต่อไปมันจะมีทางสงสัยอีกเจียสุกจึงนสงบายมากจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนความเป็นไปของความบริสุอยอยทธิ์ในเอื้อมจะขาดแคลน จะมีมากขนาดไห น, นใจจะเหะเนื่อยจะหลงไปตามลาบเด็ดแต่ละเส้นแบบนั้นนั่นก็จะเป็นไปอีกมันคงเส้นคงวาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตั้งรู้็จนกระทั่งตอนนี้ความบริสุทธิ์อันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมอยู่อยากรูอ้อยากเข้าใจถึงแต่พฤ่งปฏิบัติในตัวเองผลรู้ภายในตัวของตัว จะไม่มีทางเสี่ยงสายทนะเป็นอาการริโกกินไม่ใเสืเ่อมจะเรีไปตามเดินปากของคนพูดวเพื่อปฏิบัติจะต้องเห็นทุกขั้นจนถึงความเป็นอาการิโกเป็นที่ในมีตามเวลาในมีเข่ามีออกในมีเสื่อมในมีเจริญในตัว ทำจิตพทะพุทเจ้าว่าตาลรโกหพยานาพิจารณาพิจารณาเรื่อยไปเบื้องต้นพิจารณาเรื่องกาวให้เข้าใจตามความเป็นจริงของมันจิตใจจะเหนื่อยเกิราคาปัแหาหาพิจารณาในทางกรรมฐานพิจารณาในทางสลาสัจสังจิตใจของตนจิตเมื่อนี สมาธิมีความยังเรียนได้จนเมื่อมังค่าบรญชาอยากจะทำทุกตามทุกเวลาเพื่เห็นอัศจรรจิตปนจิตชิดเวลาความทุกข์ความลำบากขนาดไหนเราไม่ทราบเพราะเราเห็นจิตหยุดจิตรวมถ้าจะเห็นจิตหยุดจิตเรียนได้ความเพ่ง์ยากลำบากในการปีนการชิดนนขนาดไหนจะทราบดี๋ยใจของตัวเอง นถ่ายจะเห็นก่อารพักก่อนทค่งจิตโดยถ่ายเดียวมายู่ีเจนะหาทางละทางซยความสงสัยต่างๆพอถูกอารมณ์ปัญญาสรบเข้าไปอยู่ในสมาธิมันเดเสื่อมปัญญาจิจะละถอนเดิกิเลสตัญหาติตสขของสมาธิทำไปให้ทเจนะ เราถอดถมคุณมาจากความเป็นหนึ่งจากสมาธิพิเจเญนะปัญญาแ่านั้นจะเป็นเครื่องสังหารีิเรศในใ่เืียวของสมาธิพิเจเญนาะให้ดีธรรมะไม่มม เ, ป <c oughs> ม เ, เป็นหมันธรรมะไม่เป็นโมคะแต่เราไม่เป็นโมคะในเราไม่มีใครที่จะช่วยะไรได้ เท่ากับเราเชื่อเราเองไม่มีใครที่จะทำลายเรายิ่งกว่าเราทำลายเราเพราะนั้นเพีงสอนใจของเราให้ที่นี้ที่เจมาให้ศึกษาให้ปฏิบัติอ่าไปคิดอย่าบินน้อยลานานไมมีในธรรมันไม่มีน้อยในธรรมมันก็เลยมาพยายามสอนใจทงตน เหนื่อยหนื่อเนี่อยหิวลำบากเราก็ทําเพื่อเราจะให้เกิดความสุขความสบายความกวนจากทุกเขาทํางานด้านอื่นยิ่งอยากลําบากหลุดดินเกี่ยงคืนเขาก็ยังทํากันอยู่บางคือตายในถนนท้องทางบางที่ตายในน้ำพอเขาหางาหยองตายหยองท้องท้องเขาตอนนั้นสมบัติคือเขาหาง นะไม่ใช่ว่าเขาจะหาหามหอบขู้ไปสืบออกหน้าได้แต่ที่เราหาเป็นสมบัติภายในที่เราทําเป็นสมบัติของใจเราทําได้ตายก็ไม่เลยเสียหายไปขี้ไหนเพราะสิ่งที่เราทํามันอยู่กับใจของเราไม่ใช่วัตถุภายนอกจึงควรการยิ่งที่จะสอนใจให้ยินดี ในอัไม่ทําในการปฏิบัติพยายามสอนตนพยายามบางังคับตนการสรอยตาล่าเล็ก็เคยมาแล้วจนจิปากดในตัว้เป็นอย่างไรทุกคนก็ยอมสร้าบเมื่อ ม, มาบังทับบัญชาที่จรนาไทยในต่างใจทําจนจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องทราบภายในใจของเราอีก แต่คนอื่นคนแดงคุณามดีที่เราทําได้เราเป็นเส้นบัตรของเขาเราทําได้ขนาดไหนแต่เป็นเส้นบัตร ข, ข, ของเราขนาดนั้นไม่มีใครอะไรทจะมาต้นขี้เอาคุณความดีจากเราไปของ ใ, ใจเท่เาไรเห็นอย่างนั้นตัต้งหน้าตัางต้งตาต่เพื่อปฏิบัติ ความสุดความสบาเยวเวลาจะเจอขาบชุกจะเจอพบเห็นจะเกิดเตืนขึ้นภานยในเัี่ยวของตัวฉะนั้นขอทุกท่านเตือนูดต่างนาต่างๆกาะทำบำเพ็ญจะสบพบเห็นความสุขความเจริญการที่บา ร, รมณ์ฉะนั้นอยรต้องควรจิตเวลาเพราะยุติเยื่อง น, นีก